أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, على ص ل ลลอ م ์อัลล ع ฮ์รับบ์ م ัลอาลามีน ع ل ลลอ ه ์ัมัล أ ีัลส ن ัม ا ลบ ك ل กัลล ل م ا ี ل น ت ามุฮัม ن ัดันและัลลีีันและัลฮีันและัลัม ن นัลัลัมันัลัลัมัล ن ล لن َ ك و ن ن من الخاسرين ربنا آ ت ِ ن ت ا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا اللهم ألهمنا رشدنا و ع ْ ن ا شر أنفسنا آمين يا رب العالمين الحمد لله شكر t الله سبحانه وتعالى ภาพสุรัตุลอินษันทีราลังเรียนกันอยู่นราที่ สวยงามนะครับทำให้เรานึกถึงปรรลายชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต่างใหานั่นก็คือการได้กลับไปอยู่ในสวรรค์ของ Allah. อัลลอฮฺสุบฮานหะวะทาลัลนะหรับวันนี้เราจะอ่านตั้งแต่อายะที่ย้อนหลังนิดหนึ่งอายะที่สิบนะครับหลังสักหนึ่งอายะท์แล้วก็ อ่านไปนะครับอ่านแค่ไหนจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่จะอ่านวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสาธยายแนะัดความสุขสบายในสวรรค์ทางที่ดีก็คือเราน่าจะอ่านให้จบทีเดียวนะครับจะได้มีความรู้สึกอธิบายครั้งเดียวไปเลยจะได้ไม่รู้สึกติดค้าง แต่ก็ต้องดูว่ามันจะจบไหมเพราะหลายอายัตอยู่เหมือนกันนะครับดูแล้วคงคงจะไม่จบสุดพานอัลลอฮ์ผมลองนับนับดูแล้วเฉพาะในสุร้ห์นี้นะครับเาแต่าพูดถึงสิบกว่าสิบกว่าอะไรความสุขสบายหรือรูปแบบความสุขสบายเนือหมัดต่างๆที่พระองค์จะประทานให้กับเราในสวรรค์อินชาอัลลอ์อัลลอฮมาอามินนะครับสิบกว่าชนิด ดุชันนั้นนะสั้นแต่ว่าพูดถึงเนืมัตของสวรรค์เนี่ยเยอะมากนะอที่สิบนะครับออนุบิลลาฮิมินัชชัยนิร์ีม อินน <م ت رج م> َ cards, ้นข้าวุ่นรับบินาเยื่อมาเงาَูซันควัَตَีราฟาวะห์ฮَมุลลาห์ชั้ วَาَี ي َ ة ์ عليهم ِ ظلالها وذللة َُ قطوفها َُُُ تزليلا วَ ي ُ ط َ ا าُ ع َ ل ي ه ِ م ب ِ ا ن ي ة من ِ فضت ِ وأقواب ََ كانت قوارير َحْمُّ <ت ص في ق> ก وار ิ ر าในฟิ ضة ق د ر و อ ا ت <ص في> ق ์ ي ر ا ว َيُسْقَوْنَ فيها َ أس คานมิจจุฮาซัมَับิลา عين ซัมมะซัสบีลาขอักกล้วฮะุค์ขอ้เรา้ก่บอนนะครับาไม่จบอัลลอฮฺอคุรองค้ร้กบอลลหเราร้บอัลละ์าไดู้อลอะุพะออ้าได้กลาได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์ก็คือบรรดาผู้ที่ให้อาหารกับคนยากจนคนที่มีความจําเป็นเด็กกาพร้าเฉลยคนที่ถูกล้อมด้วยสงครามไม่มีอะไรจะกิจเป็นผู้ที่มีความจําเป็นและก็ประเภทอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ3าประเภทนี้แต่ที่พูดถึง3าประเภทนี้ เพราะว่าสามประเภทนี้เป็นประเภทที่มีความต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยได้ให้อาหารได้บริจาคทานเนี่ยด้วยความอิคลาสต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ไม่ต้องการคําเยินยอไม่ต้องการคําขอบคุณแต่ที่สาเหตุที่ได้ทําให้พวกเขาเหล่านี้ให้อาหารหรือจ่ายทานเนี่ยเพราะว่าพวกเขากลัวมาคอฟุ มิรบบินาเยื่อันอบูษันควมตรีระเรากลัวกลัวตะวันไหนวันที่มนุษย์นั้นจะครึ่งเครียดควมตรีรแเลวกอมีความลําบากอบูษันก็คือความเครียดความไม่สดอารมณ์อบูษันคมตรีระก็คือความยากลําบากนะครับ จริงๆแล้วอบูซนมตรรเนี่ยมีการอธิบายค่อนข้างที่จะหลายทัศนะนะครับนกท a f s ไดเอามาเยอะนะครับในในท afsir ของท่านแต่ว่าท่านได้ ت ر ج ให้นะครับทัศนะของอิบนอับบาสรับีัลลอฮุนฮมะ ت านอุอานฮิบรุลอุมมอิบนอับบาสาท a อายนี้ว่ายังไงอบูซน "قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس عبوسا لوا ضيقا เป็นวันที่มีความหนักหน่วงขับขับ อ, อกขับใจคือทำอะไรไม่ถูก ضيقا น, นะครับ قمريرا لوا طويلة คือไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแต่มันจะยาวนานมาก งอือบิละห์ ذلك ไม่พาวล์และไม่กูต้าอิลลาบิละห์ประกานั้นการซดละก็การให้อาหารกับคนอื่นเนี่ยจะช่วยให้เรานั้นคลายความรู้สึกเหล่านี้ในวันอคราดได้อินชาอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ละ ت ع ราะแลตลาบกวะยแก่ฟาวควาหุมุลลอชรร์ ذلك ا แล้วอัลลอฮสุบฮานฮวแต่เาก็จะทรงปกป้องพวกเขาจากความลำบากยากเข็ญของวันนั้นเห็นไหมครับถ้าอยากจะปลอดภัยหรืออยากจะสบายในวันที่คนอื่นทุกกระทมอย่างยาวนานในวันอาครา์เนี่ยเราต้องทำยังไงอะไรที่จะช่วยเราได้ถ้าพูดถ้าดูกันตามอายัดนี้ก็คือการหยิบยื่นอาหาร ให้กับคนที่กําลังหิวให้กับคนที่กําลังลําบากช่วยได้สุขภานอัลลอฮ์นะเพราะว่าเขาของอัลลอฮ์ั่งะแลิข่ยอมอัลลต่ก็ปกป้องพวกเขาจากความลําบากความยากลําบากในวันนั้นไม่เพียงเท่านั้นว่ละเขาหุมนัดรัตันว่าซูรุรอแล้วอัลลอฮ์แต่ละก็ยังทรงประทานประทานละเขาห้มให้พวกเขาได้ประสบกับอะไรครับ น ظر ตา น, น่าน ظر ตาก็คือฟนวิวโวหีหิมนะครบมนักศิลปบวบนั้นั้นตาในวิวโวหียหิมทำให้ใบหน้าของพวกเขาเนี่ยคลายความกังวลแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งๆ ท, ที่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ลําบากอาบูสครึ่งเครียดคนอื่นเน่ยเครียดกันหมดแต่ว่าคนเหล่านี้อลัตอลาให้ให้แจ่มใสภายนอกดูแจ่มใสในใบหน้า วสุรุรันไอฟีปุลบิหิมและก็มีความสุขในใจด้วยนะทั้งสองทั้งข้างในและก็ข้างนอกไม่ใช่ว่าข้างในเนี่ยข้างหน้าใบหน้าเนี่ยดูแจ่มใสแต่ข้างในกำลังเป็นทุกข์ไม่ก็แสดงว่ายังไม่หายทุกข์แสดงว่าปกปิดความทุกข์อยู่แต่ลอสวงตะลาบอกว่าทั้งข้างหน้าข้างนอกใบหน้าก็แจ่มใสแล้วหัวใจก็ คายความกังวลจริงๆไม่มีความรู้สึกทุกข์จริงๆมาชงศรัลล์นะครับและอิละฮ์อิลลัลลอฮนี่แหละครับคือผ ล, ลบุญหรือผลตอบแทนสําหรับคนที่นะครับให้อาหารกับคนมิสกินนะก็อย่าตี้มแล้วก็คนที่มีความต้องการอย่างเฉลยนะครับและอิละฮ์อิลลัลลอฮอัลลอฮฺมะอูรุซุกนะ Allah มุ่งฟวัตข์เราให้เหล่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยควานรักและศรัทธาที่จะทำให้เรานด้รับ้วามสุขในสวรรค์ รักษาของมันเนี่ยมาจากคําว่ามันจะหมายถึงว่าเป็นสว น, นเวลาที่พูดถึงจันนะเนี่ยสวรรษวรวรษนี่คืออะไรถ้าเราดูตามจินตนาการตามที่เขาเอามาแสดงในละคร อ, อะไรเนี่ยไปเห็นมีต้นไม้สักต้นหนึงมีแต่มีแต่อะไรสวรรค์ของชาวไทยของคนไทยนีอะไรครับมีแต่เมฆไม่มีอะไรแต่คนอาหรับเนี่ยสวรรค์สําหรับคนอาหรับหมายถึง อัลบุสตนหมายถึงนคนชาวตะวันตกก็เหมือนกันสวนเอเดนเคยได้ยินไหมครับสวนเอเดนคนตะวันตกคนฝรั่งเขาจะเรียกว่าเอเดนเอเดนคืออะไรเอเดน ส, นสวนสวรรค์ที่อาดัมกับเาวะเนี่ยอีฟอาดัมกับอีฟเนี่ยออกมาจากสวนเอเดนเอเดนก็มาจากคำว่าจันนาตัวอเดนินอเดน ก็คือสวรรค์ที่มีเต็มไปด้วยต้นไม้ไหเดนินนะครับเพราะฉะนั้นคงจะมีเฉพาะสวรรค์ของคนไทยเท่านั้นที่ไม่มีต้นไม้สวรรค์ของทั่วโลกนี้มีมีต้นไม้มีแม่น้ำมีอะไรเต็มไปหมดจันนั้นก็คือสวนสวนในสวรรค์นั่นแหละเวลาเธอเขาบอกาสวนสวรรค์สวนสวรรค์แต่บางทีเขาจะใช้คำว่าสวง แต่สวงสอรอ ว, วแหวนงองซึ่งความมันที่มันอาจจะคนละแบบกันเพราะว่าจินตนาการของคนแถบนี้ในสวรรค์นเนี่ยก็คือแบบสวงแบบแบบว่างเปล่าไ ม, ไม่ต้องกินแล้วไม่อิ่มทิพย์หรืออะไรรูปลาสักอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับสวรรค์ของของอัลลอฮสุบฮฺะฮแต่อะไรที่ทรงที่บอกกับพวกเรานะครับยันนตันนะเป็นสวนมีต้นไม้นะครับมีแม่น้า อยู่ในนั้นวารีราแลวก็เสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ทำมาจากผ้าไหมที่น่าสังเกตก็คือคำที่อัลลอฮฺสั่งแตาา่าใช้คำว่าบีมาซอบารูนี่คือกุญแจสวรรค์ไม่ใช่กุญแจนี่คือหนทางที่จะนำเราไปสู่สวรรค์สวรรค์เนี่ยเส้นทางของมันเนี่ยจะต้องอาศัย สบาร์เท่านั้นในหลายอายัดที่อัาลลอใชา้ใช้คำว่าสบาร์เวลาที่พูดถึงการตอบแทนในสวรรค์เป็นไปไม่ได้ใครที่จะเข้าสวรรค์ถ้าอยู่ในโลกดุนยาไม่อดทนยากเข้าสวรรค์ไม่ได้ถ้าไม่อดทนเพราะหนึ่งตัวสวรรค์เองเอัลลอฮฺตรัว่าขุ bil ่ฟติลจนนตุบิลมะคาริ หุ่นฟ้า النار บีชชฮาวัดหุ่นฟ้าจันน์บีลมาคาร์ฟหรือคำว่ล่าวอะลัยซุลลัตุนุสัลลัมข้อที่100นรถูกห้อมล้อมด้วยชชวะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ตรงกับอารมณ์สิ่งที่ตรงตรงกับตัณหาของตัวเองในขณะที่สวรรค์เนี่ยถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบซึ่ง การจะละทิ้งชาววะไม่ให้เข้านารกเนี่ยต้องอดทนไหมโอ้ต้องอดทนเยอะมากและการที่เราจะทำสิ่งที่มันไม่ตรงกับใจเราเนี่ยต้องอดทนเหมือนกันต้องอดทนบางทีอดทนในการทำดีอาจจะยากกว่าการอดทนในการเลิกความชั่วบางครั้งอะนะมันก็เป็นอย่างงั้ เลิกความชั่วแปบ๊บเดียวเราเลิกได้แต่จะทําความดีตลอดเนี่ยจะทํำยังไงให้มันทําได้ตลอดเวลาอิสตีดอมบนความดีได้อย่างได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายโอ้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะบางครั้งสิ่งที่เราทําตลอดเล็กๆแต่ทําตลอดเวลาอัลลอฮ์รักมากกว่าสิ่งที่เราทําแบบใหญ่โตมโหฬารแต่ทําครั้งเดียวเท่านับบาา้น وإن أحبب الأعمال إلى الله อดัวมุฮั่นวอิงกลั่นงานที่อัลอะทารักมากที่สุดก็คือสิ่งที่เราทํำเป็นปกติตลอดเสมอต้นเสมอปลายว่าอิงกลั่นถึงแม้่มันจะนิดเดียวอ่านอัลกุรอานนิดเดียวแต่อ่านทุกวันดีกว่าอ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนหลังรอมฎอนนักชบอ่าเข้าใจไหมครับนี่คือที่จะบอกว่าบางครั้งการอดทนในการทําดีเนี่ย มันก็ยากมันไม่ง่ายไปกว่าการที่เราอดทนจะละทิ้งความชั่วของเราเพราะฉะนั้นจะต้องช่างให้ดีบิมารสบารูเนี่ยทุกเรื่องครับทั้งระดับปัจเจกบุคคลตัวเราคนเดียวซบาร์เนี่ยจะมีหลายบริบทซบาร์ในบริบทตัวเราคนเดียวจะเอาตัวเองเป็นไอ้บ้ดุลอ่ะนะเป็นบาอัลข้าวที่อดทนในการทำดินก็ต้องอดทนซบาร์ในเรื่องครอบครัว อายะที nah, ta ala ta ala um, ja ่อ nah, hey, ัลลอฮฺพูดถึงครอบครัวเนี่ยว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยก็มีคาว่าซบัอยู่นะตรง دعاء ที่อัลลอฮฺบอกว่ารับบานาฮับแลนั้นอัจวะจินาวดุรรียะตินากรฟต้าายุมจัลนะลิลมุตตะกีนอิมามอันนี้เป็นด ع ا ء สำหรับคนที่ต้องการดูแลครอบครัวนะครับให้อ่านดูอันี้แล้วหลังจากนั้นอัลลอฮก็บอกว่าอลยกยุกรฟตบิมาซรู แล้วคนที่ขอด้อาอนแบบนี้หนึ่งในจำนวนสิ่งฟ้าของอิบาราฮิมาซึ่งขอด้อาอนแบบนี้เนี่ยเวลาที่พวกเขาเข้าสวรรค์เนี่ยเราแต่ละบอกเข้าสวรรค์เพราะการที่พวกเขาอดทนแสดงว่าในระดับครอบครัวก็ต้องอดทนซึ่งแน่นอนอันนี้เราเห็นชัดเราทุกคนมีครอบครัวเลยมีไม่กี่คนที่ยังไม่แต่งงานไม่ต้องพูด <laughs> เอาคนที่แต่งงานไปแล้วแมต้องอดต้องอดทนขนาดไหน อดทนในการดูแลภรรยาอดทนในการในสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราเองที่เราแสดงออกต่อภรรยาที่ภรรยาแสดงออกกับเราเราก็ต้องอดทนอดทนกับลูกอดทนกับการดูแลลูกอโอ้เยอ ะ, ย ะ, ยะมากไปต้องอดทนถึง จ, จะได้เข้าสวรอดทนในระดับอื่นอีกในระดับสังคมปัจเจตบกุคคลครอบครัวและก็สังคมเวลาที่เราอยู่ในสังคมเยอ ะ, ยะ ใช่ไหมครับต้องเจอกับคนไม่ดีต้องเจอกับคนที่ไม่ทำตามคำสองของ Allah เราต้องไปบอกเขาเราต้องไปเชิญชวนเขาเขามีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเราเราต้องอดทนและอดทนในระดับที่สูงที่สุดก็คืออดทนในการ่อสู้ในการปะทะระหว่างศัจธรรมกับอัลบาติลระหว่างอัลฮักกับอัลบาติลทุกวันนี้ที่มันต่อสู้กันอยู่ในระดับโลกเนี่ย พี่น้องเราที่กําลังเราอยู่ในใ น, ในสนามแห่งการปอสู้เนี่ยเขาต้องอดทนมากขนาดไห น, น, นอดทนในระดับสูงเนี่ยอัลลอฮฺอาลัยช้อดทนสองครั้งยะอายุฮัลลอดีนอามานุอัสบิรูวาซาบิรุเพราะว่าต่อสู้กับคนข้างนอกแหละก่อนหน้านี้เราต่อสู้กับเราเองเราต่อสู้เฉพาะในครอบครวัวต้องอดทนเฉพาะในครอบครวัวแต่เวลาที่เราต้องปอสู้กับ ศัตรูภายนอกเนี่ยต้องเ บ, บิลในการอดทนอสบิรูจงอดทนวซบิรูแล้วก็ต้องแข่งอดทนแข่งอดทนกับใครแข่งอดทนกับศัตรูถ้าศัตรูอดทนเราก็ต้องยิ่งอดทนมากกว่าศัตรูอีกถ้าศัตรูแข็งในการต่อสู้กับสัญธรรมที่เราถืออยู่เราก็ต้องยิ่งแข็งแข็งขันในการที่จะต่อสู้กับอัลบัติที่คนเหล่านั้นเอามาเพราะฉะนั้น การเข้าสวรรค์ไม่มีทางที่จะไม่ดูหรือไม่ให้ความสำคัญกับอดสบรุเด็ดขาดต้องอดทนทุกครั้งทุกวันตลอดเวลาจริงๆแล้วอุลามะในเขาแบ่งการอดทนเนี่ยออกเป็นสามหรือสี่สามนะหนั่นอสบรุอานละมาซี อดทนจากกันและทิ้งสิ่งที่เป็นมัซเซียบอกแล้วว่าเวลาที่เราจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งก็ต้องอดทนอย่างสูงสองอสับรูอาละต้าการที่เราอดทนในการทําความดีและทิ้งความชั่วได้แล้วก็ต้องอดทนในการทําความดีและอันสุดท้ายอดสับรูอาละอัคดาหรือการที่เราอดทนต่อการทดสอบของลอสุบฮานอวะตะละซึ่งเกี่ยวข้องกับ เรื่องทั่วๆไปในชีวติตของเราให้เราเจ็บให้เราป่วยให้เราประสบกับการขาดทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่เป็นอัลลอฮ์ซุลมัลตั ad, ต Deus, อลอะลาเราต้องอดทน سبحان ا ل ل ล لا إ ล ه إلا الله مير ุผมไม่รู้ว่าในในคำสอนอื่นนอกจากคําสอนของอัลกุรอานนี่เขาสอนเรื่องอดทนขนาดไหนแต่ว่าในอิสลามเนี่ยการอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลกุรอานให้ความสําคัญมากแล้วก็ คือเหมือนกับเป็นคำสั่งหรือยกย่องด้วยว่าการช่วยกันปลอบโยนระหว่างพี่น้องด้วยกันให้อดทนเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนเงื่อนไขที่ทาให้เราประสบกับความสำเร็จแล้วก็หลีกพ้นจากความผาดทุว่าตัวาเสา้าลฮักกว่ตวาตาเส้าบสซบรมุมินเนี่ยจะต้องสั่งเสียซึ่งกันและการให้อดทน เวลาที่เราเห็นพี่น้องกำลังเหนื่อยเราไปบอกเขาอดทนเธอบอกเขาให้อดทนย่เราได้บุญให้กำลังใจให้เขาเกิดความรู้สึกที่อยากจะต่อสู้กับชีวิตต่อไปเนี่ยเราได้ผลละ บ, บุญจากอัลลอฮฺสุฮาข้ารานล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้เป็นข้อสังเกตสักนิดหนึ่งเนะี่ยที่อัลลอฮฺตรัสว่าว่าจะซาห์ฮ ah um ุ ัราแต่ละให้ผลตอบแทนกับคนเหล่านี้เป็นสวนสวรรค์เนี่ยด้วยสาเหตุอะไรบีมาซอบรูด้วยสาเหตุที่คนเหล่านั้นอดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทํายังไงให้หัวใจของเรานั้นสามารถที่จะอดทนกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเราบอกแล้วชีวิตของมุขมนต์นั้นดีกับดีเจอเรื่องดีชูกรอชุกรก็เป็นเรื่องดีเจอเรื่องไม่ดีสบาร สอบรูก็กลายเป็นเรื่องดีชีวิตของมมกมินจะมีแต่ดีกับดีแต่ว่าบางทนะีเวลาที่เราเจอเรื่องดีแล้วเราไม่ขอบคุณหรือเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเราไม่อดทนมันก็เลยไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราต้องปรับนะต้องฝึกฝนเรื่องนี้แน่นอนครับว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะทำได้ภายในวันสองวันมันต้องฝึกมากฝนะึกทิ้งความชั่วฝึกทาความดีเนี่ย เหมือนกับการที่เราฝึกออกกำลังกายนั่นแหละไม่แตกต่างกันเลยมากว่าที่มันจะคงที่ในการที่เราจะฝึกตัวเองให้ออกกำลังกายสม่าเสมอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเอาลอ์นลองถามดูก็แล้วกันว่านะบรรดาพวกที่เป็นเซเล็ตออกกำลังกายทั้งหลายเนี่ยเขาต้องอดทนขนาดไหนนะเราก็เหมือนกันนะครับอัลลอฮฺมูซาอัลลาฮฺลาอัลลอฮฺมารซุกนณซราะอัลลอฮมารซุกนณซรอามีนยาบัลอาลามี มาถึงตรงนี้อัลลอ์ะอธิบายรายละเอียดของความสุขสบายในสวรรค์ล้อัลลอฮ์ ت บอกว่าพระองค์จะทรงตอบแทนคนเหล่านี้ด้วยสวรรค์ในสวรรค์มีอะไรเริ่มแลวครับมุตีน ي ه ا ا ل أ ر ا ء ا و ن فيها شمسا و في ر ي ر ا คนเหล่านี้จะอยู่ในสวรรค์ในสภาพที่มุตตะกี้อิอัลอิติกะมุตตะกีอิ น, ออมอนหมายถึงการนั่งนั่งแบบถ้าภาษาสมัยปัจจุบันก็คือนั่งมันมีหลายแบบนั่งแบบโกรนกระวายนั่งแบบรอคนอื่นเวลาที่เรานั่งรอคนอื่นเรารู้สึกยังไงสบายใจไหม เมไรมันจะมาสักทีนั่งแบบตูดอะนไฟลนตูดไฟลนก้นเน่ยไหมนั่งไม่ถูกนั่งไม่ติดอะไรหรือนั่งแบบนั่งแบบไหนอีกมันมีนั่งหลายแบบแต่นั่งแบบมุดแจกี้อีเนียคือนั่งแบบชฉียนั่งแบบฮะนั่งแบบอะไรนั่งแบบสบายอกสบายใจอ่ะ ไม่มีเรื่องทุกบร้อนใจคิดภาพออกไหมครับมีไหมช่วงที่เราแบบนั่งแบบสบายๆ ไ, ไม่อยากทําอะไรอะ่ะนั่นแหละคือมุดจากขีอีจริงๆแล้วในทัซน์ศิลป์มังกรศิลเนี่ยอธิบายหลายลักษณะนะ บ, บางก็บอกว่านั่งแบบนี้สบายไหมนั่งแบบนี้ชิลไหมนั่งแบบเอาเอาอะไรนะเอ่อทำมัดฝุ่เอาเอาแขนเอาเอาแขนมาเขาเรียกว่าอะไร ฮเออท้าศอกเอาศอกมาเท้าศอก่นี่คือมุตตะกีอีนหรือบางท่า็บอกว่านั่งแบบอะไรนะนอนแบบนอนเยียดไปเลยก็เป็นมุตตนะกีอีนสรุปก็คือนั่งแบบสบายๆไม่ทุกร้อนอ่ล่าอรออีกบนโซฟาโอ้นึกถึงอะไร ถึงเอานึกถึงโรงแรมห้าดาวกันแล้วครับ <laughs> แล้วโซฟาราคาแพงๆก็ น, นั่งแบบโอ้โหไม่อยากจะลุกไปไหนอารายค์เะกบอกนะบว่าอิตติกะอัตมักุนมินลจุลูสฟในาล ل ة รัาฮียทิวัตุมะนีนะนี่มามษัะดีอธิบายนะครับบอกว่าการนั่งแบบอิตติกะก็คือนั่งแบบแบบแบบบันเทิงเรืองใจ นะไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนใดๆทั้งสิ้นละอิลาอิลลอหยะอัลลอฮอัลลอฮมารุุคในละเจนนะ على الأرائق. อ่ะเอาล่าล่อาล่ะเอาล่อาล่ะอาล่ะเอาะเอาล่อาล่ะเอาล่ะเอาะะลาละะลาลาเ่าาลอ่ะาา่าเอ่อ่า่า บางเบาใช่ไหมครับมันมีจะมีเตียงแบบบางชนิดที่อมีมีอะไรมีผ้าม่านรอบๆเตียงอ่ะอันเนี้ยคือถ้าทําให้ไฮโซจริงๆก็มีนอนเตียงแบบนี้แล้วพวกเรานอนเตียงแบบไหนโต๊ะนอนโต๊ะปูพื้นนะครับเน่ยเวลาไปดูที่เขาเนียโรงแรมสุดดีๆนี่เขาจะมีเตียงแล้วมีมีผ้าม่านอะไรด้วยนี่คือ เรียนแบบชาวสวรรค์เลยนะเรียนของชาวสวรรค์ก็คือจะมีผ้าม่านกั้นเอาไว้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับเป็นสักเป็นส่วนอุตต์เตคีน فيها على الأراء لا يرون فيها شمسا ولا ز م าร ي ราและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ไม่ประสบกับภาระชดีด ไม่ประสบกับความร้อนเอ็นกายอยู่เอ็นกายพิงหลังอยู่บนเตียงที่ประดับประดาด้วยผ้าม่านผ้าและม่านที่เลือดรู้พวกเขาจะไม่พบกับความร้อนของดวงอาทิตย์ไม่มีร้อนร้อนจัดที่มีเวลา Zamhari r a อันนี้ตรงกันข้ามกับความร้อนเย็นจัด ก, ก็ไม่มีเย็นแบบแช่เย็นอากาศเย็นมากบางทีอากาศเยน็าายนมากมันก็ไม่ดีนะบางทีเย็นเนี่ยอันตรายกว่าร้อน บางครั้งเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยอันตารายใครที่เคยไปประเทศที่แบบมีอากาศแบบเขาเรียกว่าตัดขั่วกันอย่างเงี้ยแตกต่างกันแบบคนละขั่วกันนีจะรู้สึกดีเวลาร้อนเนี่ยเราหลบร้อนได้ไปอยู่ใต้ใต้รม่มไปอยู่ในบ้านอะไรแต่เวลาเย็นคุณจะหลบเย็นยังไงเวลาเย็นเนี่ยเย็นถึงกระดูกครับ จับโต๊ะก็เย็นจับจานก็เย็นจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเย็นเนี่ยบางครั้งอันตรายกว่าร้อนเพราะฉะนั้นในสวรรค์เนี่ยอากาศจะแบบพอดีพอดีอากาศจะเย็นสบายไม่มีร้อนจัดแล้วก็ไม่เย็นจัดไม่มีสุภานัลลอฮ์เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตแบบ ขาวสวรรค์ไม่ยร้อน فيها ชัมสนวลามรีราวดนียะ ع ل ต้นไม้ในสวรรค์ดนียะ عليهم ลต้นไม้ในสวรรค์ก็คือจะปกคลุมพวกเขา เป็นเงาปกคลุมก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ในสวรรค์นะครับวอนุลลิและกุตูฟฮากุตูฟูฮ า, าก็คือกิ่งต้นไม้สูงๆปกคลุมสู ง, สงใหญ่โตมีเงาให้ร่มเงาแก่ชาวสวรรค์แต่ว่ากิ่งของมันเนี่ยนึกอยากจะกินอะไรมันจะอะไรมันจะ มันจะโน้มลงมาให้เราโดยอัตโนมัติอยากจะกินสมมุติอยากจะกินลูกนี้กิ่งของมันก็จะมาอยู่ต่อหน้าเลยะจะย้ายมาอยู่ต่อหน้าเลยกิ่งแล้วก็หยิบกินจากจากกิ่งของมันเลยกินสดๆเลยไม่ผ่านบางทีผลไม้เนี่ยถ้ามัน ออกไปจากกิ่งออกไปจากต้นมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะบูดจะอะไรใช่ไหมครับอันนี้เพื่อรัประกันความสดก็คือหยิบตอนหน้าเลยนี่คือความหมายของคำว่าวอรุณลีและกุตูฟวะทัลีแหนึกอยากจะกินอะไรไม่ต้องลุกจากเตียงอยากจะกินแอปเปิลมาหน้าเตียงเลยหยิบกินพวกเราอยากจะกินอะไรต้องนึกดู อยากจะกินลูกอะไรอยากจะกินลูกทุเรียนมีใครอยากจะกินลูกทุเรียนในสวรรค์มีทุกอย่างครับในสวรรค์ น, นี่มีทุกอย่างที่อยากจะกินมีหมดมีทุกอย่างผลไม้รากอะไรที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกทุกชนิดที่เราเคยเห็นในโลกดุญญนยนี่มีทุกอย่างในสวรรมรู้จะอธิบายยังไงแล้ว น, นี่คือความสุขความสบายที่สุดแล้วนั่งเอกเนกอยู่ อหิวเลยมาเลยไม่ได้มากับถาดนะมากับกิ่งมาเลยมั่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกุบะดีนี้ไม่มีครับในดุียไม่มีแบบนี้จะบริการห้าดาวหกดาวสิบดาวอย่างไงดุียไม่มีบริการถึงขนาดนี้แน่นอนไม่มีแน่นอนบริการถึงขนาดนี้เรียนแบบไม่ได้บริการนี้มนุษย์เรียนแบบไม่ได้ไม่รู้สิอาจจะมีรีสอร์ทที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปทํารีสอร์ทใต้ต้นไม้หรือเปล่า <laughs> แล้วก็เปิดให้เปิดได้เช่าเวลาที่ลูกมันออกมาอย่างเดียวไม่รู้นะถ้าเขาอ่านอายัดนี้บางทีก็อาจจะอุตริไปคิดทำไปสอดแบบนี้ก็ได้นะวล้อว่าอะมาัมนุษย์มันชอบทำแปลกๆใช่ไมเดี๋ยวนี้มันมีมีรีสอร์ทบนต้นไม้ก็มีแล้วะภูกเก็ตนี่ด้วยหรอเ่ารีสอร์ทบนต้นไม้มีที่ไหนรีสอร์ทบนต้นไม้รู้สึกว่าเคยเห็นเว็บๆวบที่ไหนสักแห่งหนึ่งโรชัว รีสอร์ทเขาทำแบบบนต้นไม้ใหญ่อะเอาไปทำห้องบนกิ่งไม้เลยอ่าว่าอราหังว่าน่าจะมีน่าจะน่าจะมีที่ไหนสักแห่งเคยเห็นว่าแปบในในเน็ตหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ามนุษย์เนี่ยช่างอุ ต, ตรินะครับอุ ต, ตริได้ทุกอย่างที่จะตอบสนองต่อความต้องการของจินตนาการของตัวเองนะครับ Allahu a k لا إله إلا الله เนี่ยเดี๋ยผมจะอ่านให้ฟังเพราะว่าเวลาอ่านท afsir มันจะได้อัธรรถอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขอลุ่มเจาหดนักต afsir นะครับ وذللت قطوفها تزليلة الله تعالى تمكن هم من النوم هم ไม่ إن قام ارتفعت معه ب ر ه تكوين มันก็จะสูงมันก็จะเลื่อนสูงขึ้นให้เหมาะกับ ที่ชาวสวรรค์ยืนจะหยิบในขณะที่ยืนวอินดลลลหัตนาลฮแล้วเวลาที่นั่งมันก็จะเลื่อนลงมาให้เหมาะกับระดับที่กำลังนั่งอยู่วอิตจลลตลหัตนาลฮแล้วเวลาที่นอนลงมันก็จะด น, นมันก็จะเลื่อนลงมาใกล้ใให้สามารถหยิบ กับมือได้เลยทุกสภาพจะยืนจะนั่งจะนอนหยิบกินได้ตามสบายนี่คือคำพูดของท่านมูแจฮิดลาอิลาฮีลอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์วะตุบิเลยโอ้มีทวีอีกเยอะนะครับที่พูดถึงวะอาร์ดุลจันนทีมินวริก วัตุระ ا, ن ن. آ م ฮาเมเนพื้นดินของสวรรค์เนี่ยทำมาจากเงินนะะบุฮ ا เมเนลมิ م ค์เอ่อไม่ใช่เอ่อพื้นของสวรรค์พื้นนีพื้นเนี่ยมาจากเงิน و ัตุระบ ب ฮาดินดินมาจากบิสคชามตเชียแูนเจริฮ่ามินดะฮับ و ละฟ รากของมองันเนี่ยมาจากทองคากับเงินว่าฟนนูฮามินันลูลอรบว่าซบราจดีผมก็ไม่รู้จะแปลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันหมายถึงเพชรพลอยเพชรมินจินดาในภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยซบรซบราจยาคูบนาิก็มีลูกออกว่ากิ่งของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเพชรนินจินดานะครับ فمن أكل منها قائما لم ت ؤ ذ ه ومن أكل منها قاعدا لم ت ؤ ذ ه ومن أكل منها م ت ج ع ا لم ت ؤ ذ ه จะจะยืนกินก็ไม่เป็นอันตรายจะนั่งกินก็ไม่เป็นอันตรายหรือถ้าจะนอนกินก็ไม่เป็นอันตรายอาหารเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยเวลาที่เราบางทียืนกินมันอาจจะมีอันตรายหรือนอนกินเนี่ยไม่ดีใช่ไหมครับนอนกินจะมีผลที่อันตรายต่อ รังกยของเราแต่ว่าในสวรรค์จะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือผลไม้ต่อไปอะไรบ้างหลังจากผลไม้แล้วเป็นอะไรอีกว่ยู่ทฟุอัลเลห์มบีอานีติมฟิดดะต์และควาบและควาบเป็นแตัววารีรมีผลไม้แล้วต้องมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยมีบริกร คนที่คอยรับรับใช้เนี่ยยกมาอยู่ต่อซาเลห์หิมวนเวียนมาคือไม่ใช่มาทีเดียวแล้วก็หมดนะอันนี้คนนี้มาคนนี้ออกไปคนอื่นมาเสิร์ฟต่ออยู่ต่ออยู ah ่ต่อเหมันตาวาฟเลยตาวาฟก็คือมาแบบไม่ขาดสายอยู่ต่อซาเลห์หิมบีแอนีเตนด้วยพัชนะมินฟิดดะ ภาชนะที่ทำมาจากเงินอีกเช่นเดียวกันมินสิบเอรเ็นวัคว่าและก็แก้วทั้งภาชนะทั้งแก้วที่ใส่น้ำเนี่ยทำมาจากเงินแต่ว่าเป็นเงินที่แปลกเงินที่ใสกิง้งเหมือนแก้ว ทะลุเห็นทะลุเลยแก้วในดุนยาเนี่ยพี่น้องครับแก้วในดุนยาเนี่ยถ้าเป็นแก้วก็เป็นแก้วไปใช่ไ้มครับก็คือทำมาจากแก้วแต่ถ้าทำมาจากเงินเนี่ยมันจะทะลุไหมคือจะเห็นทะลุหรือเปล่าครับแกแถ้าเป็นถ้าเป็นภาชนะที่ทำมาจากโลหะเงินอะคือ ม, มันจะใสแต่มันจะไม่ทะลุถูกต้องไหยครับ ถ้าทะลุนี่ก็คือแก้วก็คือทามาจากแก้วทําเป็นที่ทมาจากทรกายแต่ในสวรรค์เนี่ยดูเหมือนแก้วใสทะลุเลยเวลารินน้ำเข้าไปนี่ก็จะเห็นน้ำในแก้วจากข้างนอกได้เลยแต่แก้วอันนี้ทำมาจากเงินสุภานัลหรอซึ่งในดุนียานี้ไม่มีแบบนี้จนกระทั่งมีคำพูดของอิมานอับบาสบอกว่า ليس في الجنة شيء إلا قد أ ع ط ي ليس في ا ل ج ن شيء ل ا قد ع ط ي ت ه م في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة ไม่มีสิ่งใดกตามในสวรรค์ ที่อัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาประทานให้กับชาวสวรรค์นี่นอกจากว่ามันจะต้องมีของเรียนแบบมันในดุนยาทั้งหมดเข้านใจไหมครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาจะให้กับชาวสวรรค์ในสวรรค์เนี่ยมันมีอยู่แล้วอะไรเขาเรียกว่าภาพที่เหมือนกันในดุนยาถ้าสมมติแอปเปิ้ลในสวรรค์ในดุนยาเคยมีแล้วแอปเปิ้ลแต่ความแตกต่าง ม, มันไม่เหมือนกัน นะครับเรื่องอรสชาติเรื่องขนาดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ชื่อแอปเปิ้ลเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเหมือนแอปเปิ้ลในสวรรค์มันเหมือนแอปเปิ้ลในแอปเปิ้ลในสวรรค์กับแอปเปิ้ลในดุนย์เนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างอื่นก็เหมือนกันคือจะมีแบบของมันในในดุนีย์ให้นอกจากสิ่งนี้นอกจากแก้วที่ทํามาจากซิตะ็อที่ทํามาจากเงินเท่านั้นที่ไม่มีในดุนยีย์ ทำได hmm. Whoa, ้ยังไงอ่ะเงิน่จะใสกิ้งมองทะลุเหมือนแก่อันนี้เป็นคำพูดของอบุอาบบะิัลลอฮุวาลลอฮฺาาลลัลลอฮอัลลอฮอักบารฺคดรอห์เธอตัดดีราควารีรามนฟดต์นคดรตัดีรา แก้วเหล่านี้ทำมาจากเงินและก็กัดดะรุฮากัดดะรุฮาก็คือเวลาตวงใส่แก้วเนี่ยคนที่ตวงตวงเหล้าตวงเครื่องดื่มใส่แก้วให้กับชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะใส่แบบเป๊ะมากเขาจะใส่แบบเป๊ะมากก็คือใส่เปะ๊ะเท่ากับความต้องการของคนที่อยากจะดื่มคืออยากจะดื่ม อยากจะดึง10อ้อนสมมุติเวลาที่คนตวงนี่คือจะรู้ใจเลยตวงแค่10ออนให้คนดื่มกินนี่คือความหมายของคำว่าก็าจะรู้ฮะตักดีหรอเป็นที่สุดของที่สุดของการรู้ใจของการให้ความสุขกับคนที่กำลังรับความสุขของคนที่ของคนที่เป็นแข่ า l l a h ت ع า ل ى เตรียมมันไว้ขนาดนี้สุ ح ا ن a l ล a เวลาที่เราดูบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ในดุนยานเนี่ยดูสารคดีบางอย่างเวลาที่เราดูเขาจัดโต๊ะเขาจะเรียกว่าอะไรละไอพนักงานจัดโต๊ะเนี่ยก็ เ, เรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อมันอยู่เขาจะมีโรงเรียนเฉพา ะ, ะโรงเรียนสำหรับไอพวกที่มาจัดโต๊ะอาหารเน่ว่า ตรงหน้านี้จานแบบไหนข้างขวาช้อนแบบไหนคนที่ไม่เคยเรียนถ้าไปนั่งโต๊ะแบบนี้จับไม่ถูกไม่รู้จะจับอันไหนเวลากินซุปต้องใช้ช้อนนี้เวลากินผักต้องวางช้อนซุปแล้วก็เอาช้อนอีกอันหนึงไปตักผักห้างเอาช้อนที่ตักซุปไปตักผักเด็ดขาดเชยไม่ได้อันนี้เขามีการเรียนสอนถึงขนาดนั้นเลย แล้วแก้วที่วางเรียงอะนะแก้วยาวแก้วกลมแก้วอ้วนแก้วต่ําแก้วเตี้ยแก้วมิหมดทรงของแก้วเวลาเวลาใส่น้ํามีอีกอ่ะบรันดีต้องใส่เท่านี้อะไรอีกอ่าเหล้าสีแดงวายแดงต้องใส่เท่านี้ต้องใส่แก้วนี้เยอะอลอขนาดนี้เลยศิลปะของมนุษย์ ลองนึกดูซิว่าอัลลอฮ์สุบฮานาอัลจาลเตรียมอะไรที่เหนือความคาดหมายของมนุษย์มากกว่านี้อีกหลายเท่าในสวรรค์ของพระองค์ทั้งภาชนะทั้งคนที่มาให้บริการทั้งสถานที่นั่งอะไรเนี่ยเด็ดปอยครับไม่มีอะไรที่จะเทียบได้อีก <c oughs> นี่แหละที่เราต้องอ่านต้องอ่านอายอัดอัลกุรอานที่พูดถึงสวรรค์ให้เยอะๆแล้วก็เวลาที่ดูสารคดีพวกนี้ <c oughs> เวลาที่ดูเขานําเสนอพวกนี้เนี่ยให้นึกถึงอายักพวกนี้นั่นแหละที่บอกว่าสวรรค์อะโด尼亚 เ, เป็นสวรรค์ของอัลกาฟเวร์ว่าเขาสําหรับคนเหล่านี้เนี่ยการได้นั่งบนโต๊ะแบบนั้นคือที่สุดของที่สุดสําหรับชีวิตของเขาในโลกนี้ละขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ไปโรงแรมที่รู้ที่สุดในโลกเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตแบบแบบชัวสวรรค์นี่สําหรับจุดประสงค์ของคนที่มีชีวิตอยู่เฉพาะในโลกดุนยา แอกของเราอุอ <illar> <Savior> ัลลอฮา ت ع ا ل บ ا ั ك ر ي ้ أوعيني و ا ร ك ر ى نحب قدروها تقديرا ويسقى أويسعيات هجبل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة لقى พวกเขาจะเสิร์ฟเหล้าที่มีส่วนผสมของขิงซันจาวก็คือขิงจาได้ไหมครับว่าตอนต้นสุรษอัลลอฮฺ تعالى บอกว่าเหล้าผสมกับกาฟู กระบูลคาราบูลมีริดเย็นบางครั้งผสมกระบูลเพื่อให้มันเย็นแต่บางครั้งผสมกับขิงเพื่อให้มันเพื่อให้มันมีริดริดร้อนให้มันบาลานซ์กันอัลลอฮฺที่อย่างนี้ด้วย <laughs> เวลาที่หนาวเอากินให้ร้อนแบบร้อนๆเวลาที่ร้อน กินแบบเย็นเย็นมีเครื่องดื่มแบบเย็นมีเครื่องดื่มแบบเย็นแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบร้อนจบครบทุกอย่างแล้วขิงที่ว่านี้เนี่ยไอ้นันไม่ได้เอามาจากต้นขิงนะเอามาจากตาน้ำตาน้ำที่เป็นน้ำขิงไอ้นั่นที่หตูซัมมาในสวรรค์เป็นตาน้าในสวรรค์ที่มีชื่อว่าซลซบี ตาน้ําที่เป็นขิงเนี่ยมีชื่อว่าเซลซาบีอันนี้เป็นหนึ่งในยามันตับซีดบางคนก็บอกว่าตาน้ําที่ว่านี้เป็นตาน้ำต่างหากไม่ใช่ขิงมีเทียบซีดที่บอกว่าตาน้ําตรงนี้คือตาน้ําที่เป็นขิงนี่แหละซึ่งมีชื่อว่าเซลซาบีเซลซาบีเนี่ยความหมายของมันก็คือลื่นไหลเพราะปกติเวลาที่เรากินน้ําขิงในโลกดุนยาเนี่ยมันจะติดคอไหมมันจะแบบว่าเฮย้ยมันแสกคอ แต่ขิงในสวรรค์เนี่ยกินไปแล้วลื่นลงไปเลยไม่ติดคอไม่รู้สึกแสบคอใดๆทั้งสิน้นเพราะมันชื่อว่าซันซาีแล้วน้ำผพุที่เป็นน้ำขิงนี่มันก็จะไหลทะลักออกมาไม่ใช่ไหลแบบนิดๆออกมามันจะไหลออกมาแบบเยอะมากเลยเป็นตาน้ำผุ้ที่ออกมาเยอะอัลลอฮฺอักบรนี่แหละครับคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะตะอลเลาที่ ทงเตรียมไว้สาหรับบรรดาผู <ock> no right ้ศรัทธาแลก็ทาความดีโอิดลิลมุตตอิดลิล้นอานูวามิลซลิฮลตลาสงรวซารูอลามฟรติมิรบบิคุมจงรีบเร่งจงแข่งขันกันให้ไปสวรรค์ต้องแข่งขันกันไปสวรรค์ถ้าคนอื่นแข่งกับเราในเรื่องดุนยาเราต้องแข่งกับเขาในเรื่องอาขรัตบางคน การที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาด้วยความอับจนด้วยความรู้สึกท้อแท้เพราะเราแข่งกับคนอื่นในเรื่องดุนยาคนอื่นมี m ม r c e d ซเดสมี l a m โบหินีมีบีเอ BMW, เวลาที่เราเห็นเขาขับมาโ อ, โ อ, โอ้ใจของเราแบบแฟดเลยเราไปแข่งกับเขาไม่ได้อ่ะนั่นแหละที่มีคำพูดบอกว่า ถ้าคนอื clapping, ่นแข่งกับคุณในเรื่องดุนีาให้คุณแข่งกับเขาในเรื่องอคิครัตเหมือนที่อัลลอฮฺซาลาบอกว่า وسارع إلى مغرة หรือ وسابق มีสองแบบสองสุรษูรษูหนึ่งสุรษูเกิในอัลอิมรันรหอัลอิมรันและนิสาอัลอิมรันว่าอารและก็สุรทีอัลฮะดีดว่า ا ب ق จงแข่งขันกันไปสู่การอายะพยโทษของลอและสวรรค์ของพระองค์ซึ่งทรงเตรียมเอาไว้สำหรับอัลมุตติกีนและทรงเตรียมเอาไว้สำหรับอัลลัฮีน่าอามานูวะามิลุซัลิฮะสำห ร, รับผู้ศสดาและก็ทำความดีถ้าเราอยากจะได้สวรรค์ก็ต้องแข่งแข่งกับตัวเองเป็นลำดับแรกแล้วก็แข่งกับปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัวที่คอยฉุดลากเรา ให้เราออกไปจากเส้นทางที่จะพาเราไปสู่สวรรค์นี่แหละที่บอกว่าการไปสวรรค์เนี่ยต้องอาศัยความอดทนขอรับนะครับช่วยกันนะครับช่วยเตือนพี่น้องเตือนตัวเองให้กาลังใจเพราะว่าเวลาที่เราได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยเราจะลืมความทุกข์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุนียนี้ที่เคยเหนื่อยในการตื่นขึ้นมาละมานซุ บ, บไม่มีแล้วในสวรรค์นี่เราจะลืมมันไปหมดเลย ที่เคยเหนื่อยจากการอดอาหารละศินอด อ, อะไรนะถือสินอดที่เคยเหนื่อยจากความร้อนเวลาที่ต้องไปทําฮัทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอผึงเขาถึงสวรรค์นเนี่ยความเหนื่อยทั้งหมดที่เราเคยประสบมาในวันนี้จะลืมหมดครับอะไรๆจะลบทิ้งหมดมันจะกลายเป็นกลเป็นความสุขแทนเพราะฉะนั้นแน่นอนเรนะต้องกลับไปอา่านเมื่อตอนต้นที่อราละลาบอกว่าบีมาซาบารุ ต้องอดทนจึง จ, จะเป็นชาวสวรรค์ได้อัลลอฮุโตะอัลลอฮ์แล้วรักษาณัลลอฮ์ وإياكم لما يحب ويعظ صل الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المحسنين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ر ح م ة الله